พระธรรมเทศนาแผนที่112ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเขารพกันตามธรรมตามวินยัยอ้าวจัทธาญาติโยมพร้อมไหมยัง าพร้อมแล้วก็วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าให้ท้ายยกเป็นผู้นำสมาทานสินสินห้าสินแปดนะวันนี้นะเป็นวันพระเป็นวันสินของพวกเราเป็นวันสมาทานสินของพวกเราเอานำอน้อมแล้ว น, นะครับอิบมินาสั ก, กาลินา ทังพุทังอาภิปุสยามะต่อไปอรัตนาสินอุโบสถพร้อมกันนะครับสาทุมายังพันเตติสละเนนันสห า, าทังขาสัมานาคาตาังอุโปสทังยาจามะตั้งใจสมาทานสิน วันนี้เป็นสินที่สาม พ, พ, พี่พวกเราเก่าพรรษามานี่ก็เป็นสินที่สามในสิบสองสินเรายังเหลืออยู่เก้าสินต่อไปภายภาคหน้าเพราะเรารักษามาแล้วสองสินอย่างนี้เป็นสินที่สามในพรรษามีอยู่ 1สิสอศีลเดือนละสศีลสเดือน4 32เมื่อเรารักษาแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะ น, นั้นอย่าให้ขาดตุก ป, ปกพ้องผู้ที่ตั้งใจสมาทานศีลให้เป็นศีลบริสุทธิ์บริบรูรณ์จริงๆทำด้วยความสัตว์จริงอย่าไปทำแบบแต่ว่าทำตามกระแสทำแบบเลอะแหละ ผลในสุดหาจุดยืนไม่ได้ควรจะทำให้จริงจังและจริงใจในการสมาทานศีลของพวกเราต่อ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี่เลนะนิภูติยันติตัสมาสี่ลังวิโสธาเยาทุ เมื่อวานในพวกทั้งในรั่วก็บอกว่าตะการับบาทมันเหว่เต่นมันมดมั น, ม, นมัด ม, ด, ม, ด, มดพองไปเลยๆเมื่อสืออ่อของมามือในพันศาเนี่ยสื่อมาต่างหาฮกโลงบัเหลอยัีบอกพ่อใส่มันไปใส่เลย น, นงพอวะแม่นพวกกูบาเนี่เก็บเขาไปถิ่มทั้งในทั้งในวัดผมบอกว่าเบิงน้ำไปหาเก็บ ขนมาใหา้ขนมาใหา้บาหาแล้วคู่บาเด็กบ่หุยักคุนขาขนไปถิ่มไปทั้งในกว่านะไปใส่ของบ่อใดนะต้องขนออกมานะของคู่บานะเนี่ยมันเป็นอย่าง ม, ม, มันมันเฮียไปใส่มันบ่มีขาตะกานะกันข้นบ่อเอาไปแม่นไผเอาไปวัดกันบ่อเอาไปมันบ่พอสีลวด ย, ย่อนมั่งหลวงพ่อว่าเนเี่ยอาตะกาห่างๆไปเองท่านนะ เอเบิงพ่อเอาไปบอกมากนะบอกหลวงพ่อว่ะหลวงพอ่อจะแถมให้อีกว่ะอยากได้ยงังว่ะไม่จะไปเอาอยัางพ่อตะกามั้งพอ่อจะรุยย้อนดอกมรคค า, านตะะต่างน้ำหลวงพ่อเลยกันหลวงพอมีเหตุผลหลวงพ่อก็สือไห้มนะวันนั้นพ่อไดเอาไปนะ่ะเบิงนะนั้นพ่อไดว่ะ ไม่หาคิดหวังรวยพ่อขลอกแก่พ่อปนีตีมาอยู่วัดมาเขามาวัดเรื่องครูบาเป็นภูเก็บไ ป, ป่ะมันเฮียไปใส่ะเอ้ขั้นมันบ่มีขามันตะกามันบ่มีขาไนงะมันเฮียไปจังไรเบื้องหน้านะติดตามเมืองนะในรักธรรมคั้สอนของพระพุทธเจ้าเพิบ่บอกไวนะ้เนไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วนะ ตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่หนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุศิลให้เป็นเจ้าของสมบัติถึงวัดเท่าจีลวยจีมั่งมี่ของชัยมากก็จริงอยูรับมันเฮีเรามไม่สนใจ ผูเอาไปเข้าไปแบบบกิดพกอ่านเข้าไปก็เมาเมื่อไปสร้างม้อีกมันบวนหายเสียมันบวชหายหายแม่นไพเป็นผูวเอาไปนี่พวกเข้าต้องสืบสอบดูนะเป็นหูเป็นตานะมันบวเหลือวิสัยหรอกแม่นไพเอาไปท่านผัวไดเอาไปมันบวคอนาจะเอาไปพวกเป็นขี่ปากขี่ควงเบาเขาซื้อมันบวชข้อสีลําสีลวดนอนผัวเอาไปนะหรือว่าคู่บาเอาไปท่นคู่บาไปกู่ออกมา เก็บออกออกมานะไปให้เก็บไปให้ยังเอามาใส่เกิดประโยชน์มันบอไม่ได้อจะเอาไปยังสั่นคูบาใดเป็นผู้เก็บเอาไว้เบิงนะซอยกันเบิงนะกูบาทั้งหลายนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560เมื่อวานวันที่30คณะมาคารวะ3แบ ประเพณีมาหวัดมาวานนี้วัดของเราวัดนาคําน้อยเป็นวัดสุดท้ายน ะ, ะรู้สึกว่าโอ้ศาลาหลังนี้ที่พวกเรานั่ง่ล้นเลยน ะ, ะพระก็มากโยมก็มากพราะมาตั้งหลายอำเภออำเภอบ้านผืออำเภอท่าบอ่ออำเภอเมืองหนองคายอเภอสีเชียงใหม่น้มโสมนายูงเป็นบางส่วน บ า, บางวัดมากับหมูไม่ทนันคราวก่อนเห็นหมูทางนี้มาก็ตามมาอีกรู้สึกว่าเมื่อวานมากนะแต่พวกกลับไปแล้วก็มีทำไมกลับไปเพราะว่านั่งรถมากางทางฝนตกพอฝนตกไม่มีร่มมันเป็นรถปริกอัพใช่ไหมนั่งทั้งท้ายกระบะมันเปียกปอนไปหมดจะมาที่นี่ก็ไม่ได้มันเปียก กลับบ้านก็มีส่วนเป็นส่วนมากนะส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนมากส่วนหนึ่งเพราะนั้นถ้าหากว่ามาครบนึ่ก็คงจะมากกว่าเมื่อวานในอีกต่างหากอันนี้ก็คือการไปคารวะตามประเพณีของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเพราะว่าพระกรรมฐานสอนกันมาต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีสัมมาคารวะ ทำมีพรเป็นพระผู้ใหญ่เราเป็นพระผู้น้อยคือเอาพาศรธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาไปกราบคารวะในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นม า, าก็ถ่ายทอดไปลงไปเรื่อยถ้าว่าพวกเราไม่ไปกราบไปคารวะกันเราตัดตอน เ, อเราตัดตอนเราไม่ไปหาใครผลที่สุดใครๆก็ไม่มาหาเราอีกเหมือนกันผลที่สุดก็เลยจบลง การไปกราบครวะคูบาจารย์ตามประเพณีก็เลยหมดไปแล้วก็นี่แหละไม่น่าจะถูกเพราะว่าการเป็นอยู่ด้วยกันถึงจะมากจะน้อยออการขนาดลิ้นกับฟันกับริมฝีปากเท่านั้นแหละสามสหาหิทั้งริมฝีปากด้วยทั้งลิ้นด้วยทั้งฟันด้วย เพอเอยังกัดกันอีกต่างหากฟันยังกัดลิ้นอีกเพอเพอรกัดริมฝีปากอีกเพราะอะไรเพราะนี่แหละมันสาม น, นี่ก็เหมือนกันนะถ้าหากเราอยู่ด้วยกันมากมายมีพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ก็คงจะมีคงจะมีเพราะนั้นเราจึงถือว่า การอยู่ด้วยกันอาจจะมีการพลังเผือผิดพลาดด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมจึงได้ไปการาบคารวะขออภัยโทษอภัยกรรมในการคิดการทำการพูดนั้นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านให้ถือผู้น้อยผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะต่อผู้มีที่วัยยวตคุณวศถึงจะมีวัยยวศ แต่ว่าคุณนวุฒที่เหนือกว่าเราก็ต้องไปกราบคุณนวุฒอย่างที่พระผู้น้อย อ, อายุพรรษาท่านมากกว่าแต่อายุน้อยกว่าแต่ว่าผูพระผู้เท่าที่บวชมาเมื่ออายุแกเราก็ไปกราบวัยวุฒถือว่ายังวัยน้อยกว่าแต่ว่าคุณนวุฒของท่านนะสูงกว่าเพราะท่านบวชก่อนนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นถึงจะทำขนาดนี้แลว้วก็เถอะนะเมื่อออกพรรษาแล้วยังให้ปรารณากันอีกเป็นส่วนบุคคลอีกทนะพูดไปทีละองค์ละองค์ละองค์ละองค์งไปอีกต่างหากเพอให้บอกแจ้งประกาศว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ด้วยความรังเกยียดทางท่านคิตใจว่าผมคิดผิดเป็นมิจฉาทิเฐิด้วยกา ย, ยกรรมคือการกระทำของผมผิดธรรมหลักพระธรรมวินยัวยวาจาของผมพูดออกนอกรูนอกทางไม่ไปตามหลักพระธรรมวินัยขอให้ท่านทั้งหลายว่ากาวตักเตือนผมได้ผมจะสำรวมระวังต่อไปยังพูดอีกนะอันนั้นคือเป็นส่วนบุคคลเป็นตัวเอาเดียวๆ เ, เลยะเนี่ย แต่ว่าสำมาคารวะทายไปทำวัดที่พูดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะนะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินะนั้นเมื่อวานนี่ก็เห็นคณะจทหายาติโยมพระเนร น, น้องหนุ่งทั้งหลายมากราบฆรวะมาเมื่อวานเขามาทั้งหวัดนะ แต่วัดของเราเป็นวัดสุดท้ายแต่เห็นก็โอ้ก็มากนะนี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบกุญญามความดีสัมมาคารวะเพราะการอยู่ด้วยกันเราจะไปเบ่งกล้ามเพราะตัวเองถูกอย่างเดียวมันไม่ได้นะโล ก, กนนะี่เพราะละเพราะว่าถ้าพวกเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสอยู่มันต้องมี ตัวไหนตัวหนึ่งแผลออกมาเรื่องการกระทำออกมากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันต้องมีผิดมีถูกให้ได้ถ้ายังมีกิเลสอยู่เพราะกิเลสภายในใจมันผลักดันออกมาแต่ว่าถ้าว่าเป็นพระหรหัสมีมั้ยพระหรหัทําผิดก็มีอยู่เป็นบางครั้งแต่ท่านก็บอกว่าเป็นอโหสิกรรมคือการกระทำของท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้เสียหาย มีแต่บางครั้งบางคราวมีแต่พลังเผลอไปเพราะไรเพราะว่าเป็นนิสัยเป็นนิสัยเก่าแก่ของท่านเองแล้วทันละไม่ได้ผู้ที่ละนิสัยวาสนาได้คือพระพุทธเจ้าองเดียวเป็นพระรหัสสาวกทางหลายละนิสัยวาสนาไม่ได้นิสัยเคยติดภพติดชาติมามันยังมีอยู่ท่านยกตัวอย่างอย่างพษสรีบุตร ท่านจะไปที่ไหนท่านกระโดดกระโดดข้ามคลองบงังกระโดดขึ้นขอนไม้บงังทั้งที่ท่านมีอายุเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่น่าจะเดินก้าวเดินด้วยความสำรวมระวังเหมือนกับช้างที่เดินไปด้วยความสำรวมระวังแต่นี่ท่านสารีบุตรเหมือนทำเหมือนลิงกระโดดพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเอ๊ะทำไมท่านสารีบุตร ท่าน ท, นทําได้อย่างไรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยสารีบุตรเคยเป็นลิงติดภพติดชาติมาตั้งหลายภพหลายชาตินิสัยลิงยังมีอยู่พระพระสาวกเนี่ยไม่สามารถไม่สามารถที่ละนิสัยละวัตสนาได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองละวัตสนาที่สิส่งตรงไหนที่มันไม่ดีท่านละได้หมดคือนิสัย คือพุทธะเท่านั้นีนละอันนี้ก็คือพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่นี้ถ้าว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันมายุคนี้สมัยนี้บางเสียงบางอย่างอย่างถ้าท่านทำไปดู ด, ดูแล้วก็เออบางเสียงบางอย่างเราก็โยนให้เพราะว่าท่านท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วนะแต่บางเสียงบางอย่าง เราก็สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ถึงจะท่านบริสุทธิ์ก็จริงอยู่แต่ก็ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพยากรฮะแต่าว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์เราก็เชื่อในพระพะุะทธเจ้านะท้าวพระพุทธเจ้าพูดแล้วหนึ่งไม่มีสองแต่ยุคนี้สมัยนี้ไทยใครจะพูดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จริงอยู่จะใครเป็นผู้พยากรณ์ให้ ถ้าเป็นผู้พยากรณ์จะพูดเข้าไปเนะี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อก็บอกให้สำรวมระวังไว้ดีกว่านะเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวหน้าเรื่องนัเคารพศิลปวิทยในนะมันเป็นหน้าที่ของพระทุกองค์ถ้าหากว่าไม่เคารพในศึกขาบทวิทยในบางทีล่วงเกินไปนะบางทีก็น่าตาหนนะิเหมือนกันนะ บางองค์เนี่ยพระพุทธเจ้า ว, ว่าห้ามตัดต้นไม้ห้ามขุดดินห้ามภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่หรือว่าห้ามรับเงินและทองหรือห้ามหลายละอย่างในพระวินัยของพุทธเจ้าที่เราสวดในพระปฏิโมกแต่ว่าครูบาอาจารย์ทําไปอันนี้หลวงพ่อว่าถึงยังไงก็ ไม่น่าจะถูกต้องมันจะเป็นเรี่ยงอย่างที่ไม่ดีสําหรับอนุชนรุ่นหลังเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเราควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังถ้าว่าเราไม่ครบรสิขาวินยัยสิขาบทวินยัยต่อไปภายภาคหน้าพระลูกพระหลานที่เป็นลูกศิษย์เราเขาก็ยิ่งล้ำหน้ากว่าเราไปอกีกผลที่สุดถ้าอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าเราจะทํำยังไงหมดไปที่ หมดไปที่รัิกาบอดิกค้าบทด ส, ส, สินสองร้ยยี่สิบเจ็เลยไม่ครบเขาบอกว่าต่อไปเราก็จะเรียกว่าเพราะคุณเจ้ามีศินสอง้อยต่อมากว่าสองร้อยหสิ 150, อย่างที่ว่าเขากำลังจะลดลง อ, อยางพุทธาวัาจะจะลดลงเปียใ ห, ใ ห, ให้ให้มีศิน2อ0รยห้าสิบรนะ้อยห้าสิบนี่แหละมันจะลดลงเรื่อยๆเอามาจะมีแต่ศินสองสิน 2, สามเข้ามาอะไรัน้ พราะมันทำผิดไปเรื่อยๆสวดปฏิโมกข์ไม่ต้องสวด227ปันแอบสวดตามที่มันตัวเองรักษาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันหลวงพ่อว่านะถ้าคิดไปให้ยาวๆไกลๆนะคิดในภาพรวมแล้วนะไม่น่าจะถูกเพราะนั้นพระเนรลูกหลานนะิลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนี่นะให้ฟังนะให้ศึกษานะที่หลวงพ่อพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นนะ แล้วก็พร้อมกันหลวงตาเคยพูดใน hey, พระวัดนั้นพระทั้งที่พระครบแต่ไม่ลงอุโบสถลงอุโบสถแบบยอ่อพวกสรุปแล้วคื อ, คอขี้เกียจฟังพระปฏิโมก์มันยาวนั่งนานสวดเยอะย่อทำได้อย่างไงหลวงตาท่านตำหนินะตาหนิให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อกันเนี่ยนะ พ่อได้ฟังกนะ็อื้อเป็นแนวความคิดนะอันหนึ่งแต่หลวงพ่อก็ไม่คิดทําอย่างนั้นหรอกแต่หลวงตาพูดตำหนินะในพูดตำหนิให้ฟังหลวงพ่อก็มาพูดมากล่าวให้กับพวกพระลูกพระหลานได้ฟังเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาถ้าไม่จําเป็นจริงเราก็ไม่ควรจะสวดปฏิโมกย่อนะควรจะสวดให้จบปริบูรณ์เรานั่งอย่างอื่นเรายังนั่งได้แต่นั่งฟังพระปฏิโมก่านั้นนะ่อ ทำไมจึงลำคาญแสดงว่ามีอะไรในใจของเราหรือไม่ถ้าว่าเราไม่มีอะไรเราก็ต้องฟังฟังพระปฏิโมกให้จบตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้กับพระเนนลูกหลานให้ให้เดียวฟังได้ศึกษาตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาโจมก็เหมือนกันเพราะเราเป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยนะจะแยกกันไม่ออกนะ และจะเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วก็พระก็เหมือนกันจะเป็นเรื่องของโยมอย่างเดียวไม่ได้บางทีโยพระก็ต้องบอกโยมเออโยมทําอย่างนั้นไม่ถูกนะไม่น่าจะถูกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะั่ศรัทธาญาติโยมนะพระก็ต้องได้บอกนะบางทีพระกระทาไม่ถูกต้องศนระัทธาญาติโยมก็ควรจะรู้วินัยอีกเหมือนกันนะเออพระคุณท่านทําอย่างนั้นน่าตําหนินะ คนในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบางทีศรัทธาญาญโญเกาตาหนิพระนะเพราะตำหนิพระเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินจากนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บัรญัดวิ่งในต่อนี้ไปพระสงฆ์องค์ใดทาอย่างนั้นอย่างนั้นปรับอาบัตินี่นะราวาสติเตียนก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลทั้งว่าพวกเราไปอ่านดูในพระไตรปิฎกนะธรรมวัชชะก็มีโลกาวัชชะก็มีโลกาวัชชะก็คืออะไรคือศรัทธาแย่งโยมติเตียนการกระทําของพระไม่อยู่ในสมณสารูปไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยทําออกนอกลู่นอกทางบางทีครวญเขาจะไม่ทําแต่พระทำออกไปดูแล้วมันมันดูไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พระเนรลูกหลาน ศรัทธาญาติโยมนะเราเป็นพุทธบริษัทสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามบอกกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันนะถ้าว่ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ไม่เห็นจะจะตำหนิที่ตรงไหนถ้ามันไม่ดนะีเราก็ต้องตำหนิต้องบอกต้องกล่าวกันจุดนั้นจุดที่นะมันไม่ถูกต้องนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่แหละการอยู่ด้วยกันแค่ว่ามองมองกันมองเห็นกัน สิ่งไหนที่จะเป็นหายณนะต่อกลุ่มของเราเราก็ต้องแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันนี่แหละอันนี้เป็นแบเป็นว่าผู้หวังดีต่อกันนะแต่ผู้หวังร้ายต่อกันมีแต่จ้องจ้องจับผิดนะพอจัดพอเห็นผิดขึ้นมากันเอาโทษออกเรื่องอธิกรณ์กันขึ้นมาฟ้องร้องกันขึ้นมาห้ำหันกันไปอันนั้นเป็น่าผู้จับผิดกัน มองมองในแง่ร้ายะถ้ามองในแง่ดีเหตุผลก็ต้องตักเตือนว่ากล่าวกันเอไม่น่าจะถูกนะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันผิดนะไม่น่าจะถูกต้องนะเนี่ยนแะอันนี้ก็คือการว่ากล่าวแนะนํากันในเมื่อแนะนาํากล่าวแล้วถ้ามีเหตุผลอผู้กระทาก็ต้องถอยก็ต้องยอมรับฟังว่าเออมันไม่ถูกนะถ้ามันไม่ถูกแล้วจะทําไปทําไมดัดทุลังไปทําไม ทำผิดเมื่อผิดมันก็ผิดไปด้วยอการทำผิดมันไปทางไหนอถ้าผิดกฎหมายก็เข้าคุกเข้ า, ขาตารางอ่ถ้าผิดหลักพระธรรมวินยัยผิดพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าชั่วนะเราไปฝืนทำชั่วนะเ อ, อถ้าใครไม่เห็นก็เถอะต้องตกนรกนเะพระยาะอไรเพราะว่าการทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว ถ้าอยู่ทั้งโลกนะคับผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาถ้าทำผิดมากขนาดไหนการทำผิดมันก็มีมากปีน้อยเหมือนกันนะถ้าทำผิดมากเนะี่ยอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่มีมากมายกฎหมายบ้านเมืองโทษหนักโทษประหารนะแต่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็มีโทษหนักโทษเบาเหมือนกันเนี่ยอย่างพวกเรารักษาศีลห้าคนะือโทษขนาดหนึ่ง รักษาสินแปดให้เข้มงวดเข้าไปอีกสิ น, ส, น, นสิบสัมบันเณรสิน227รอเของพระนะสินพิษุนีทั้งสามร้อยสามอกว่ากว่าสินพิษุนี น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือท่านสอนให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบการเป็นอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบแล้วมีแต่ความร่รมเย็นผาสุขนะขะันตทาย ญ, ญาติโฉมพระเนลูกหลานนะ ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในจนีน่า